สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในกฎทองคํา20ข้อซึ่งนำไปสู่ชีวิตที่สมานฉันและดีงามผู้เขียนคือท่านศาสนาจารย์ด็ p h i l i ร p ฟิลิปเทงและผู้แปลคือท่านศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยทินต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านซึ่งเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์นาข่าวสารของพระเจ้ามาถึงพวกเราทุกคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับที่เราได้ใช้20กฎทองคานั้นเมื่อผมได้มีโอกาสได้พบกับพี่น้องในหลายๆคริสตจักรนั้นก็พบว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งทำให้ผมเองนั้นซึ่งเป็นผู้รับใช้ของท่านได้บังเกิดความยินดีเกิดความชื่นชมในพระคุณของพระเจ้าที่ได้ยังใช้ผมในการที่จะเป็น เครื่องมือที่ทําให้พี่น้องนั้นจะได้รับการหนุนใจพี่น้องครับในเช้าวันนี้นั้นเราได้เข้ามาถึงบทที่12ครับซึ่งเป็นกฎแห่งความเชื่อพระะของพรเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่58พระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่58โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าพระองค์จึงไม่ได้ทรงกระทําการมหาศักดิสิทธิ์มากในเมืองนั้น เพราะเขาไม่มีความเชื่อพระองค์จึงไม่ได้ทรงกระทำการมหาศจ ร, รันมากในเมืองนั้นเพราะเขาไม่มีความเชื่อพระคัมภีร์ประโยคนี้นะครับสมควรที่เราจะต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญเพราะว่าเราจะเห็นถึงหลักการพื้นฐานพื้นฐานที่สุดของการทำภารกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็คือที่ไหนมีความเชื่อพระองค์ ทรงกระทํางานของพระองค์ที่นั่นที่ไหนไม่มีความเชื่อพระองค์ก็ทรงทํางานน้อยลงและหยุดทํางานที่นั่นนั่นคือหลักการพื้นฐานครับของการประกอบพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์นั้นทรงขานรับผู้ที่มีความเชื่อเสมอพี่น้องครับพระเจ้าของเราขานรับผู้ที่มีความเชื่อเสมอเพราะนี่คือ กฎที่พระเจ้าตั้งไว้ดูผิวเผินเหมือนกับการทำแบบนี้หรือการที่เรามีความเชื่อนั้นไรเหตุไรผลพี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นหากเราไม่มีความเชื่อในพระองค์พระองค์ก็ทรงทำกิจของพระองค์หรือประกอบพระราชกิจของพระองค์ได้ไม่จาเป็นต้องพึ่งเราครับแต่ปัญหาก็คือว่าทำไมพระองค์จึงอยากจะให้เรามีความเชื่อครับ พี่น้องครับทำไมพระองค์จึงอยากจะให้เรามีความเชื่อพระเจ้าทรงฤทธิ์ครับพระองค์ปรารถนาจะทำอะไรให้สำเร็จพระองค์ไม่ต้องพึ่งมนุษย์แต่พระองค์ปรารถนาให้เรามีความเชื่อความศรัท ธ, ธาพระองค์จะทำอะไรพระองค์ก็สามารถทําได้ทุกประการในพระธรรมสุดีบทที่ิบข้อที่เได้กล่าวว่าเพราะพระองค์ตรัสมันก็เกิดขึ้นมา รองค์ทรงบัญชามันก็ออกมาเราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นจอมราชนทรงครอบครองทุกสิ่งพระองค์ไม่ได้ถูกสิ่งใดจำกัดพระองค์ไม่ต้องการสิ่งใดจากมนุษย์รวมถึงความเชื่อด้วยถ้าพระองค์ปรารถนาจะทำแต่ทำไมครับพระองค์ต้องการความเชื่อจากเราพระเยซูนั้นพระองค์ได้ทรงประกอบภารกิจของพระองค์ในโลกนี้พี่น้องครับ ที่ไหนมีความเชื่อพระองค์ก็ทาการมาส จ, จั่์ที่ไหนไม่มีความเชื่อพระองค์ก็ไม่ทำครับความเชื่อนั้นเป็นหลักการที่พระเจ้าตั้งไว้ให้กับมนุษย์คำถามก็คือว่าทําไมพระเจ้าจึงทรงตั้งหลักการนี้เหตุผลที่มีน้ําหนักและมีคุณค่ามากที่สุดก็คือว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะ ร่วมงานกับเราพระเจ้าปรารถนาที่จะร่วมงานกับเรากับพี่น้องพระเจ้าปรารถนาที <meantime raining S 2> <ti> ่จะร่วมงานกับเราพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะร่วมงานกับเรานี่คือคำตอบของการที่ว่าทำไมพระเจ้าต้องการความเชื่อจากเราพี่น้องครับโปรดพูดพร้อมกันนะครับว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะร่วมงานกับผมพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะร่วมงานกับฉัน พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะร่วมงานกับเราพระองค์จึงตั้งความเชื่อไว้เราจะเห็นพระเจ้าได้ทรงวางกฎเกณฑ์ของโปรง่งไว้สองอย่างก็คือ 1. เราต้องมีความเชื่อและประการที่สองก็คือเราต้องอธิษฐานที่ไหนมีความเชื่อพระองค์ทำงานที่นั่นที่ไหนมีคำอธิษฐานโปรอ ง, องทรงทางานที่นั่น ทั้งสองประการนี้ครับเป็นเหตุผลทำให้มนุษย์กับพระเจ้าได้ทำงานร่วมกันนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้ร่วมงานกับพระเจ้าและเรามีเครื่องมือสองอย่างครับก็คือ 1. ความเชื่อสองคำอธิษฐานเมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้าแน่นอนครับตามมาด้วยการอธิษฐานเมื่อเรามีความศรัทธาในพระองค์แน่นอนครับตามมาด้วยคาอธิษฐานเมื่อเรามีความวังใจในพระองค์ แน่นอนครับตามมาด้วยคาอธิษฐานและเมื่อเรามีความเชื่อและปรารถนาที่จะฟังเชื่อฟังนั่นแหละครับคือตามมาด้วยคาอธิษฐานพระเจ้านั้นพรงทรงเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของพระองค์และกระทาตามความเชื่อที่เรามีอยู่เมื่อเราอธิษฐานพระองค์ก็จะทรงตอบคำอธิษฐานทูลขอของเราพี่น้องครับการที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกับพระเจ้า นั่นคือสิทธิพิเศษนั่นคือการทรงเรียกนั่นคือพระคุณของพระเจ้าครับสิทธิพิเศษนี้พระเจ้าได้ให้กับเราทั้งหลายทุกคนคำถามก็คือว่าให้ให้กับเราทั้งหลายทุกคนทําไมเรียกว่าเป็นสิทธิพิเศษละ่ะคำตอบก็คือการทรงเรียกของพระองค์ที่มาถึงเราแต่ละคนนั้นมันไม่เหมือนกันครับและสิทธิพิเศษตรงนี้เองก็ทาให้เรา ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันในการรับใช้พระเจ้าแต่ละอย่างแต่ละแบบบางท่านบางคนรับใช้พระเจ้าในฐานะคารวาสหรือคารือหาดบางท่านบางคนนั้นรับใช้พระเจ้าในฐานะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาบางท่านบางคนก็รับใช้พระเจ้าด้วยอาสาสมัครบางท่านบางคนนั้นก็รับใช้พระเจ้าเพราะเหตุที่ว่าเป็นอาชีพถ้าขาดอาชีพนี้ก็ไม่มีอะไรจะกิน พี่น้องครับในหลายๆแรงจูงใจที่เรามารับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจอะไรก็ตามขอให้เราปรับแรงจูงใจของเราให้กลายเป็นความเชื่อความศรัทธาซึ่งเป็นแรงจูงใจหลักที่สำคัญในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าเพื่อที่ว่าเราจะเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์ท่านอคาทูดเ ป, ปโปลครับกล่าวว่า เราทั้งหลายร่วมงานร่วมทํางานกับพระเจ้าพี่น้องครับใครเล่าจะร่วมทํางานกับพระเจ้าได้ครับถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตใครเล่าที่จะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ร่วมงานหรือพาร์ทเนอร์ของพระเจ้าได้สรรพสิ่งทั้งหลายโปร่งทรงสร้างเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างเราเป็นคนต่ําต้อยเราเป็นคนอ่อนแอจะร่วมงานกับพระเจ้าได้อย่างไงจะเป็นผู้ร่วมรับใช้ด้วยกัน และเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าได้อย่างไรอย่างดีที่สุดก็คือเราเป็นค่ารับใช้เท่านั้นเองไม่ได้เป็นผู้ร่วมงานพี่น้องครับเราเขียนไหมครับว่าสถานภาพที่สูงยิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราก็คือเราเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องได้รับโดยการที่เรามีความเชื่อครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะร่วม ง, งานกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่โปรด เป็นไปไม่ได้ที่เราจะร่วมงานและเป็นผู้ร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์ของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตไม่ยินยอมไม่เรียกเราไม่เลือกเราพี่น้องครับภายใต้การดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อัครทูตเปาโล ก, กล่าวออกมาในโพสนะของพระเจ้าว่าเราทั้งหลายได้เป็นผู้ร่วมทำงานกับพระเจ้าพี่น้องครับเราดีใจไหมครับเรามีความภาคภูมิใจไหมครับเรามีความรู้สึกว่าเป็นพรของเรา เป็นสิทธิพิเศษของเราเป็นเกียตรติอย่างสูงของเราที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกับพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเรามีความเชื่อพระเจ้าต้องการให้เราร่วมงานกับพระองค์ด้วยความเชื่อครับขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าไม่เพียงช่วยเราให้รอดพระองค์ยังทรงโปรดให้เราเป็นลูกชายลูกหญิงของพระองค์ให้เราเป็นมิตรสหายของพระองค์จัดเตรียมเราในที่สุด เราจะร่วมครอบครองกับพระองค์แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดครับถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ที่ร่วมงานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับการร่วมงานกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นการที่เราเองนั้นต้องเข้ามาด้วยความเชื่อและนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดครับในเช้าวนันนี้อยากจะให้พวกเรานั้นได้ตั้งตัวให้ถูกต้องก่อนครับตั้งสติตั้งตัว นะครับเซตตัวเองให้ถูกต้องก่อนครับว่าหากว่าเราปรารถนาที่จะร่วมครอบครองกับองค์พระผู้เปนเจ้าแล้วเราเองนั้นจะต้องมีพื้นฐานสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความเชื่อศรัทธาในวันพรุ่นี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ว่าความเชื่อนั้นมีกี่อย่างนะครับพี่น้องครับความเชื่อนั้นทําให้เกิดสิ่งที่ไม่สามารถคาดคะเนล่วงหน้าได้ความเชื่อนั้นทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า อัศจรรย์เป็นสิ่งที่คิดไม่ถึงและเป็นพระคุณซึ่งเกินความเข้าใจได้ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานความเชื่อพื้นฐานให้กับเราก็คือการที่เรานั้นเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าและต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดและปรารถนาที่จะติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของเรา ขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน